ถ้าสงพรองกันแล้วพึงถอนสมานส <paid> ังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นนี่เป็นยติท่านผู้เจริญขอสงจงฟังข้าพเจ้าสมานสังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันแห่งใดที่สงสมมุติแล้วสงถอนสมานสังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นท่านรูปใดเห็นด้วยกับการถอนสมานสังวาสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นท่านรูปนั้นพึงนิ่งท่านรูปใดไม่เห็นด้วยท่านรูปนั้นพึงทักท้วง สมาสังวาสสีมามีอุโบสถเดียวกันนั้นสงถอดแล้วสงเห็นด้วยเพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้